สวัสดีกับเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนร่วมชะตาเดียวกันวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยที่เรือนจำกลางบางขวางก็ถือว่าอันนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วมาครั้งแรกเขาให้ขึ้นเวทีมากับกลุ่มช่องสาม วันนี้ก็ลถเกรดลงมันมันนั่งข้างล่างแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้ยินดีจะขึ้นเวทีนะผมชอบนั่งอย่างเนี้ยนั่งด้วยกันเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปทำหน้าที่ในเรือนจำเนี่ยผมก็ไม่ได้มองเห็นว่าคนทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนเลยคือไปมาหลายแห่ง ไม่มีความแตกต่างระหว่างผมแล้วก็ทุกๆคนที่นี่แล้วก็รวมทั้งคนที่มาด้วยกันด้วยทุกคนในที่นี้เนี่ยเสมอเหมือนกันหมดก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งเนี่ยไม่ได้พูดในใครฟังคนใดคนหนึ่งพูดกับทุกคน คนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับลัทธิไม่เกี่ยวกับนิกายเชื้อชาติใดชนชาติใดถ้าฟังแล้วรู้เรื่องอะไรเข้าใจแล้วก็จะได้แง่คิดได้วิธีคิดแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่างยังไม่มีความทุกข์อะทุกคนลองคิด นึกคิดย้อนหลังด้วยว่าคนเราเกิดมาเนี่ยการเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยจนทั่งตายจากโลกนี้ไปเนี่ยมีสิทธิ์เสมอเหมือนกันหมดเลยนะที่เป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยนับตั้งแต่พอเราเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ต่อจากการเกิดก็คือการถูกตัดสินประหารชีวิตมาเลยนะ ทุกคนไม่เว้นพอเกิดมาปับ๊บก็ถูกตัดสินผารชีวิตไปถึงความตายแล้วก็ในระหว่างที่รอการตัดสินหารชีวิตนั้นไม่เรียกลองอายาก็ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำของความแก่แก่ชราความป่วยไข้ ความแก่ชราและความป่วยไข่เนี่ยเป็นหมือนเรือนจำของเราทุกๆคนไม่มีไ ม, ม่เคยยกเว้นใครสุดท้ายก็ต้องถูกตัดสินนพิจด้วยความตายทุกๆคนจะช้าจะเร็วใครจะรอลงอาญาได้นาน <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความทนสภาพอยู่ได้ ผมนี่ก็ก็คงไม่นานละดูท่าทางโรคไปแค่เจ็บนี่มันก็จองจำทั้งร่างกายนี่ก็แยมแยกเห็นว่าทำประโยชน์ได้เขาเลยรอลงลาญาไว้ก่อนยังไม่ทำอะไรแต่ผมทำประโยชน์กับในโลกนี้ไม่ได้เนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะว่าถูกตัดสินเรียบร้อยผ่านชีวิตอันนี้คือส่วนร่างกายนะมีใครแตกต่างกับตรงนี้ไหม ทั้งคนข้างนอกคนข้างในผมก็เหมือนกันเนี่ยผู้ที่มาด้วยกันเนี่ยทั้งนั้นเล ย, เยรอลงอาญาที่จะถูกตัดสินบาปชีวิตในระหว่างรอลงอาญาก็ต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเมื่อความแก่ชราแล้วก็ความป่วยไขย้อันนี้ส่วนร่างกายเหมือนกันหมดเลยแต่ตรงจิตใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะ <ś ś <m ian> ชีวิตเราในประกอบด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือร่างกายไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดรับรู้ต่างๆนี่คืส่วนของจิตใจกายอาจจะเหมือนกันแต่ใจนี่มันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ต้องแยกแยะแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งจิตใจเนี่ย ถ้ายังไม่แยกแยะยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้พัฒนานะมันจะเหมือนกันอยู่ที่ถูกจองจำไปด้วยกิเลสที่เป็นราคะโทสะโมหะไรอิสรภาพเสมอเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใจที่มีแต่ความรักแล้วก็ความโกรธแค้นและความหลงลืมตัวนี่แหละเนี่ยมันเป็นเรือนจำของจิตใจ ยากที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้พัฒนาจิตใจเหมือนกันไหมในที่นี้นี่ใครไม่มีกิเลสราคาโทสะโมหะบางยกมือขึ้นเอา้าใครกล้าโกหกเราอนุโมทนานะท่านคือพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วมันเหมือนกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าใครจะควบคุมได้มากได้น้อย ผู้ที่พัฒนาจิตแล้วก็จะควบคุมได้มากอันนี้ไม่ได้ตําหนิใครเหมือนกันทุกค น, นรวมตั้งผมด้วยมันก็ไม่ได้ดีไปไหนเหมือนกันเราจึงเรียกว่าเราคือผู้ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมชะตาเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันหมดวันนี้จึงที่มาที่เรือนจํากลางบางขวางเนี่ยก็ตั้งใจตั้งใจที่ว่าพูดคุยให้แง่คิดให้กําลังใจ วิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้เป็นอิสระจากสิ่งที่มันจองจาจิตใจเราทั้งหลายจะไม่เน้นถึงเรื่องร่างกายร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจนี่มันจะต่างกันเน้นที่จิตใจสบายๆนั่งตามสบายนะจะขยับขยี้เคลื่อนไหวได้ตามสบายเลยอนุญาตนะเคลื่อนไหวได้อิสระ ส่่วนราางกายเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวหรอกมันเป็นที่จิตใจก็เรียกว่าชีวิตจิตใจเราเคยได้ยินว่าชีวิตร่างกายไม่ค่อยพูดถึงชีวิตจิตใจวันนี้จะเน้นเรื่องชีวิตจิตใจให้ท่านวิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อให้เกิดการอิสระทางด้านจิตใจ ในสภาพร่างกายที่ไม่ที่ไม่อิสระจะว่าอย่างนั้นก็ได้เนี่ยสำคัญที่ว่ามันมีเคล็ดลับอยู่สองอย่างคือวิธีคิดเนี่ยเรื่องของวิธีคิดวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนี่แหละมันสามารถทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์จากสิ่งที่มันจองจำจิตใจทั้งหลายเนี่ย ถ้าเรามีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อันดับแรกคือเรื่องของวิธีคิดเนี่ยสำคัญนะไอเ้เรื่องความคิดเนี่ยมันจะพาเราไปสุขไปทุกข์ก็เพราะความคิดที่จิตใ จ, จนี่แหละคนเรามีความทุกข์บางทีในสภาพแวดล้อมแล้วมีแต่ความสุขแต่ใจเนี่ยคิดผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตแล้วก็มีนะ คนที่มีความทุกข์ถ้ารู้จักคิดให้เป็นคิดให้ถูกต้องแล้วก็มันพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ว่า อ, อ, อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของความคิดบวกอันนี้ก็ช่วยได้การคิดบวกเนี่ยทำให้ชีวิตมีความสุขได้คิดในแง่ดีถ้าเรามีความสุขได้ แต่ถ้าเราคิดเป็นลบมาแล้วก็ชีวิตจะมีความทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเราคิดในแง่ของความเป็นจริงในแง่ของความเป็นจริงไม่บวกไม่ลบประเภทนี้ยมันจะอยู่เหนือโลกเหนือชีวิตเราทันทีเหมือนกันไม่ขึ้นอยู่กับความคิดมันขึ้นอยู่ไปเหนือแล้วคิดยังไงให้มีความสุขคิดยังไงให้มีทางออกเรามีความคิดที่ ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นคิดในสิ่งที่ถูกต้องคิดแล้วเกิดกำลังใจอย่างน้อยเราก็ควรคิดแต่ว่าแม้ว่าเราอ ย, อยู่ที่ไหนก็ตามร่างกายจะอยู่ในี่ก็ตามสภาพใดก็ตามเราก็ยังมีโอกาสที่จะแสวงหาความสุขได้ทุกเมื่อเรายังมีโอกาสแสวงหาความสุขได้อย่าคิดว่าโอ้ในสภาพอย่างเราเนี่ยคง จะสแสวงหาความสุขไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้มันไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดที่ซ้ําเติมตัวเองเรายังสามารถที่สแสวงหาความสุขได้และสามารถ ท, ทําจิตใจให้เป็นอิสระจากปัญหาที่มันอยู่รอบตัวแม้กระทั่งตัวเราได้เหมือนกันคิดให้มันเป็นมีโอกาสขึ้นมามีวิธีคิดที่มีโอกาสขึ้นม า, มม า, นมาและความคิดเหล่าเนี้มันทําให้เราเนี่ยมันมองเห็นทางเห็นช่องทางเห็นห น, นทางออกของชีวิต เดี๋ยวน้อยจิตมันได้ตั้งหลักจิตได้สบายแล้วจิตมันผ่อนคลายแล้วมันจะมีวิธีคิดที่แยบคายที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเรายังมีโอกาสที่จะทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ส่วนรวมได้เรายังมีโอกาสทําส่วนได้มีโอกาสทําชีวิตเราเนี่ยให้มีคุณค่าได้เอาสิ่งที่ไร้ค่าเนี่ยมาทําให้มีคุณค่าต่อชีวิตเราได้และมีคุณค่าต่อสังคมก็ได้เหมือนกัน อันนี้เป็นวิธีคิดอันนี้มันเกิดจากประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตก็มาอย่างนี้แหละมาจากการความคิดที่มันถูกต้องคิดแล้วเกิดกำลังใจเห็นทางออกมีความสุขอันนี้วิธีการปฏิบัติอันนี้แค่คิดเพื่อทำให้ใจมันสบายนะแต่คิดอย่างเดียวเนี่ยมันแค่หลอกจิตหลอกใจชั่วครู่ชั่ว ย, ยันมันต้องมีการปฏิบัติ ด, ด้วย ปฏิบัติด้วยนะก็อย่างน้อยขอให้เราลองฝึกตรงนี้ดูนะฝึกวิธีการปฏิบัติด้วย ว, วิธีการคิดตั้งใจไว้ว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขและมีอิสระจริงๆเนี่ยเราลองมาเริ่มต้นดําเนินชีวิตอย่างที่ผมบอกในะอย่างจริงจังสักหน่อยคือการพยายามรักษาจิตใจเราเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ รักษาจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการดนเนินชีวิตที่นี่และกือเดี๋ยวนี้ให้ได้เริ่มต้นจากการฝึกอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ไหนที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเรานั่งอยู่นี่ก็จิตใจอยู่ที่นี่นะอย่าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปคิดสิ่งอื่นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการใช้ชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาหรือรเผชิญกับปัญหาต่างๆเฉพาะปัจจุบันเฉพาะหน้า แล้วก็แก้ไขไปอย่างดีที่สุดเอาที่ว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ละวันแต่ละวันไปก่อนชีวิตแต่ละวันเนี่ยปฏิบัติอยู่กับแต่ละวันให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วจะรู้ว่าชีวิตเราจะเริ่มมีการเปลีนนะ่ยนแปลงแล้วทุกวันเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่นี่เลยใช่ไหมใจเราคิดอะไรอดีตกังวลอนาคตแล่างกายอยู่ข้างใน <c oughs> ใจอยู่ข้างนอก <c oughs> อย่างเงี้ยเราจะไม่มีความสุขหรอก ปัจจุบันก็มีความสุขแต่เราลืมลืมเก็บเกี่ยวความสุขอยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับปัจจุบันกับการดำเนินชีวิตแต่ไปคิดเรื่องข้างนอกเนี่ยซึ่งเป็นที่เรายังทําไม่ได้มันไกลตัวไกลใจใช่ไหมลองเริกต้ดนดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่นี่ที่เรือนจํากลางบางขวางเนี่ยแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงปล่อยเรื่องของเมื่อวานนี้ เรื่องของอดีตให้เป็นเมื่อวานให้เป็นอดีตไปอนาคตหมายถึงวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงละเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจเมื่อเวลาถึงเวลาพรุ่งนี้หรืออนาคตแล้วเนี่ยเราค่อยคิดอ่านแก้ไขไปเองเนะอย่าไปทุกข์ล่วงหน้าปัจจุบันเนี่ยทําให้เรามีความสุขได้ถ้าคิดถึงอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่สุขก็ได้อาจจะมีความทุกข์มากกว่ากันปล่อยอนาคตไว้ก่อน แล้วก็ลืมเรื่องอดีตไปสักก่อนอยู่กับปัจจุบันให้ได้ <Okay. S 1> เพราะว่าเรื่องของอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้ว <Okay. S 1> อดีตผ่านไปแล้ว <Okay. S 1> ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เราคิดถึงอดีตได้เนี่ยมันคือความทรงจำทั้งหมดของเราเลยมันเป็นแค่ความคิดเป็นความทรงจำ ซึ่งไม่ใช่ของจริงในปัจจุบันไม่มีในสิ่งนั้นแล้วแม้แต่ตัวเราทุกคนเนี่ยตัวเราในปัจจุบันกับตัวเราในอดีตเนี่ยมันก็คนละคนกันนะถูกไม่มตัวเราในปัจจุบันกับตัวเราในอดีตแต่คนละคนกันไหนใครว่าเป็นคนเดียวกันอุจจลระเมื่อเชา้านี้กับอาหารเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยอันเดียวกันห มันคนละ อ, อันกันแล้วอาหารเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็คืออาหารเมื่อวานตอนเย็นแต่อุจจาระเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นผลมาจากอาหารเมื่อวานตอนเย็นนะเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะมันกินไม่ได้ต้อเคิดว่าเราปัจจุบันกับเราอดีคนเดียวกันเนี่ยเราก็กินอุจจาระกับอาหารพร้อมกันนะสิเหรอวันนั้น สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นความจริงนี่คือเราในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทาความผิดเราไปเพียงแต่คนที่เคยทำความผิดเท่านั้นปัจจุบันไม่ได้ทำความผิดมันต้องตัดตอนชีวิตรู้จักตัดตอนชีวิตมันจึงจะมีความสุขได้ในปัจจุบัน พยานที่จะปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดแน่ดีซะปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดแน่ดีซะรวมทั้งคนที่เราเคยก่อกวามทำเกณฑเขาไว้ด้วยให้อาภายัยให้อาภัยตัวเองที่เคยร่วงเกินใครที่เป็นที่เป็นไม่ใช่เราที่เป็นคนอื่นให้อาภัยคนอื่นที่ก็ร่วงเกินเราให้อาภายัยซะ ใจเราจะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เย็นมากยิ่งขึ้นหันมาดำเนินชีวิตนะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติดาเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและจะรู้ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อันนี้ยากไหมพอทำได้ไหมอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นน้นะซึ่งมันประโยชน์สำหรับคนที่กระทำ ใครฝึกทำตรงนี้แล้วก็มือสติอยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอเสมอหนึ่งเนือแล้วก็เราจะกลายเป็นคนใหม่เป็นชีวิตใหม่ทันทีเลยชีวิตเก่าๆไม่มีใครรู้จักเราหรอกแต่เราเนั่ยแหละรู้จักตัวเราเราไปผูกโยงอดีตกับปัจจุบันจนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่ไม่ไม่แยกแยกกันเลยว่าอะไรเป็นอะไรมนะั้มันจะมีความทุกข์าความสุขไม่ได้การดาเนินชีวิต ใน่แต่ละวันเนี่ยถ้าเราให้มีประโยชน์กับตัวเราเองล้วก็ต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติปฏิบัติตนเองด้วยการฝึกสติฝึกสติสตินี่แหละมันทาให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็เราก็อยู่ในอดีตในอนาคตใช่ไหมเราหายตัวอยู่ในอดีตอนาคตหมดเลยถ้ามีสติปั๊บปัจจุบันจะเกิดขึ้นที่ใจเราทันทีเลยเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ย เรารู้สึกตัวไหมมีสติอยู่ไหม <S <S เราจะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เรานั่งที่นี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่ที่ตรงนี้แหละอันนี้ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าเป็นการภาวนานี่มีสติอยู่ทุกเมื่อเวลานั่งก็มีสติอยู่กับการนั่งนะปัจจุบันเวลาเราเดินไปไหนก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับการเดิน เวลาทานอาหารก็มีสติรู้ตัวปัจจุบันกับการทานอาหารารู้ตัวอยู่รู้เฉยๆอย่างนี้แหละเวลาทำกิจกรรมต่างๆในเรือนจํเนี่ยล้วก็มีความรู้ตัวอยู่กับแดนงานตรงนั้นอันนี้มันเป็นการเก็บเกี่ยวบุญกุศลตลอดทั้งวันเลยนะบุญกุศลเกิดขึ้นตรงนี้นะบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติกระทำในสิ่งนั้นเฉพาะหนะ้า เก็บเกี่ยบุญได้ทุกวันเลยทุกเวลาเลยเนี่ยมันไม่ขาดทุนเลยนะได้ปฏิบัติตนเองก่อนเนี่ยการปฏิบัติตนเองมีสติทุกเมื่อในการดาเนินชีวิตในเรียบทนั่งนอนยืนเดินเคลื่อนไหวต่างๆให้มีสติรู้อยู่ตรงนั้นแหละอันนี้เป็นฝ่ายบุญจะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ เปลี่ยนเรือนจำเป็นเรือนฝึกใจซะอย่ามองว่าคือเรือนจำนี่คือเรือนฝึกใจเป็นมหาวิาลชีวิตเพื่อฝึกจิตใจให้เราพัฒนาขึ้นมาให้ใจเราเป็นอิสระทำราเนียบอิสระได้อะเนี่ยให้รู้ตัวอยู่นี่แหละจิตใจที่มีสติจดจอ่ออยู่กับการใช้ชีวิตอย่างนี้นะ่ มันจะเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นทางจิตจิตใจไม่วอกแวกมันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรอกมันจะอยู่กับแดน ง, งานตรงนั้นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับแดนงานเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ที่มีความสุขเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่มีความสุขแม้กายจะเคลื่อนไหว แต่จิตมันจะสงบยิ่งอยู่กับการทาในสิ่งนั้นอันนี้เป็นกุศลแล้วนะเป็นฝ่ายบุญเลยนะมีความจบถ้าเราไม่มีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับแดนงานด้วยสายสติเนี่ยใจเราจะคิดอะไรคิดไปเรื่องการมราคะเรื่องความโกรธแค้นขัดเคืองซึมเศร้าฟุ้งซ่านเศร้าหมองไปตามสิ่งที่เราคิดถึงใช่วหมล่ะ <laughs> เพราะว่าจิต ไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีหลักให้สติให้จิตที่มันเกาะ mm. ถ้ามีหลักโดยมีสติให้จิตเกาะอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาการที่มันฟุ้งซ่านเคร่งเครียดต่ตางๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อสุดท้าไม่เกิดใจมันก็จะมีความสุขเย็นแล้วก็ผ่อนคลายมากเราจะรู้สึกสบายยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเครื่องอยู่ที่สุดเลยในสภาพที่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้ละ่ะ แล้วสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือต้องรู้ให้ทันความคิดของเราต้องมีสติรู้ให้ทันความคิดของเรารู้ให้ทันจะไม่ทำอะไรนะรู้ให้ทันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอันนี้คือเกมให้รู้ทันจิตที่มันคิดและปล่อยให้มันผ่านไปไม่ใช่รังเกียดรู้ให้ทันจิตที่มันคิดและปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปทำอะไร ถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยไอ้ความคิดปรุงแต่งต่างๆอดีตอนาคตเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วมันก็จะดับไปเองแหละอย่าไปทําอะไรทําไมจึงให้มีสติรูยทันความคิดนะเพราะความคิดเนี่ยไอ้ที่คิดปรุงแต่งเนี่ยมันนําเอาอะไรมาบ้างเอาราคาโทสะโมหะวิตกกังวลนะ่ะน้อยเนื้อต่ําใจ ซ่อมหมองของจิตเนี <terus> ่ยมันมาจากความคิดทั้งนั้นเลยมันอาศัยความคิดเป็นพาหะเกิดขึ้นในจิตใจเราเห็นไหมบางทีเราคิดดีๆนะสะพักเดียเอ้าวแหละเดี๋ยวมันเป็นลบทันทีล่ะเพราะนั่นต้องระวังให้ดีอย่าไปหลงใหม่ๆก็ทำท่าที่ว่าอะไรขึ้นต้นเป็นมารีซ้อนเพราะแต่อดเป็นมารีหลาดมันจะจะแย่ลงนะพผมันคิดแป๊บให้มีสติรู้ทัน ความคิดมันนำเอาสิ่งที่ทำให้เราใจเราเศร้าหมองมาต้องรู้ให้ทันเพราะว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมเหมืนอนกับสิ่งที่ผูกมัดนะกักขังจิตใจเราให้อยู่ในโลงแห่งความทุกข์เขาเรียกว่าคุกขังจิตเลยเนี่ยไอ้ความคิดวุงแต่งเนี่ยคือคุกขังจิตไนะล่คุกขังจิตเนี่ยใครทาให้เรา เราสร้างมาขังใจเราเองก็เรียกว่าคุกในเราสร้างมาขังใจเราเคือคุกของความคิดเนี่ยสร้างมาขังใจเราเองคุกข้างนอกก็รือสร้างให้คุกข้างในเราสร้างด้วยตัวเราเองเราจะอยู่ต่อไปไหมคุกขังจิตเนี่ยเราออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้าเรามีสติรู้ทันในปัจจุบันรือรู้ทันในความคิดแล้วปล่อยมันผ่านไป อย่าไปรังเกยียจมันถ้าไปรังเกยียจมันเมื่อไหร่แล้วก็ใจเราก็โกรธนั่นแหละคือคูขอกขังจิตอันใหม่รู้ทันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปพยายามมีสติรวยทันความคิดของเราและก็ปล่อยวางให้ได้โดยการปล่อยมันผ่านไปใจเราจะเป็นอิสระเราจะไม่ทุกข์เลยอันนี้เป็นการภาวนาภาวนาคือทำจิตใจให้จเจริญ เป็นการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้เป็นอิสระแล้วก็มีความสุขได้ไหนในที่นี้นี่ใครใครฝึกสติฝึกสมาธิบ้างอ๋อฝึกสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะสมาธิมันจะตามมาเห็นไมเวลาเรานั่งทำสมาธิเนี่ย อะไรมาก่อนระหว่างสมาธิกับสติสติมันจะตั้งตาใช่ไหมพอสติตั้งตาปั๊บสมาธิจะจับทันทีเลยสติมาก่อนมันก็ชักชวนสมาธิมาพอสมาธิมาใจก็สงบมีความสุขสติสมาธิรวมพลังกันพาเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตได้นะเพราะฉะนั้น เมื่อกี้นี่เห็นยกมือคนเดียวเหรอไม่ต้องอายนะขยกมือได้บุญหลายนะให้ไปสวรรค์เลยนะไหนใครยกใครเคยฝึกสมาธิโปรโยกมือขึ้นโอ้แถวหน้าไปสวรรค์ข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ลงนรกคนระับยังอยู่ในเมืองมนุษย์อยู่อนุโมทนาบุญนะคนที่ฝึกตรงนี้คนที่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยจะได้สัมผัสกับความสงบเย็น ด้อยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงนิวรณต่างๆไอ้ความโลภกดหลงฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะไม่รบกวนจิตใจมันมีความสุขอยู่แล้วในขณะนั้นเป็นรางวาัลของชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมใช้เคยทำอย่างนี้มาดนาะดูอะเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันนะ คุณกับผมเนี่ยมันมีความต่างกันมากดูภายนอกแล้วผมเนี่ยในะสภาพที่ร่างกายพิการความพิการเนี่ยคือสิ่งที่จองจำผมตลอดชีวิตความพิการเกิดจากการประสบุบัติเทตประสบัติเทตเนี่ยจนกระดูก ที่นี่ถ้าใครมีไขรรู้เรื่องสลีละกายวิภาคแล้วก็จะเข้าใจกระดูกระดับที่ห้าเนี่ยมันหักกระดูกข้อที่ห้านี่มันหักกระดูกไขสัหลังตอนคอเนี่ยมันหักจวทําให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยเป็นอัมาพาตไปทันทีเคลื่อนไหวไม่ได้ไปตนตลอดชีวิตเครื่อนวัดได้เฉพาะส่วนบนส่วนบนเนี่เคลื่อนไหวได้ส่วนล่างเนี่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีความรู้สึกเลยเจ็บก็ไม่รู้ร้อนหนาวก็ไม่รู้ มดกัดยุงกัดเอาเข็มแทงก็ไม่รู้นะผมใช้ชีวิตจริงมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วผมถูกจองจำทางด้านร่างกายด้วยความพิการมาสามสิบปีล้ายอยู่กับถูกจองจำที่ขายเพราะผมไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เลยถ้าไม่มีใครยกมาที่นี่หรือไปไหนเนี่ยผมก็ต้องนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้นะ พริก้ายพริกขวาอยู่บนเตียงไฟไหม้น้ำท่วมแผดินไหวหนีไม่ได้ผมติดอยู่บนเตียงผมติดเตียงเหมือนท่านติดคุกแต่ร้ายแรงกว่าติดคุกที่ว่าไม่สามารช่วยตัวเองได้และถูกจองจำด้วยความพิการไป ต, ต, ตลอดชีวิตสามสิบกว่าปีตอนนี้ ฝ่ายร่างกายไม่เป็นอิสระเลยจริงตอนนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นโรคแทรกซ้อนอีกมากมายพิการซ้ำซากพิการเรือหลังและมีโรคแทรกซ้อนร่างกายมันดูไม่ได้หรอกสภาพมันแย่ามนยานแย่ก็ยอมรับมันไปแต่ว่า ในสภาพที่ร่างกายพิการเมื่อใหม่ๆเนี่ยผมก็ใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสวิกฤตของร่างกายที่พิการเป็นโอกาสพัฒนาจิตเลยอย่างน้อยใจเราก็ไม่ได้พิการ <c oughs> หลอพิการเฉพาะร่างกายถ้าจะว่าติดคุกติดเฉพาะร่างกายเอาแต่ใจไม่ได้ติดถ้า <c oughs> เหมือนกันนะทางใจเนี่ยไม่มีใครมาสร้างคุกขังใจเราหรอกนอกจากเราขังใจเราเอง เขาจองจําได้เพราะร่างกายเท่านั้นใจเขาจองจําเราไม่ได้อไม่ได้ใช่ไหมว่าลองเดชเราลองมีเสียชีวิตนี้สิรับรองเขาไม่จองจําเราต่อแน่เขาจับเราไปข้างนอกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่ใจเนี่ยเราสามารถทําเป็นอิสระได้จับใจเราไม่ได้ผมก็ใช้ชีวิต ในสภาพร่างกายพิการเนี่ยให้เป็นโอกาสทัโอ ก, กาสพัฒนาจิตใจเลยเอาจิตใจรอดออกจากความพิการให้ได้ในภพชาตินี้ไม่งั้นเราต้องนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงเนี่ยไปจนตายมันจะหาความสุขไม่ได้เลยมันได้วิธีคิดว่าอ๋อเรื่องสแสวงหาความสุขได้เพราะสุขทุกข์อยู่ที่ใจสแสวงหาความสุขได้เอแล้วยังสามารถทําประโยชน์ให้อื่นได้ไ ด, ด้วย มันมีทางออกของชีวิตถ้าเราทําจิตให้สงบจะรู้ว่าเรามีทางออกของชีวิตคื อ, อด้านจิตใจนี่แหละมีทางรอดออกมาผมก็อาศัยเอาละไหนๆมันพิการแล้วต่อชีวิตแล้วไม่เป็นไรหรอกเราใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสทําในสิ่งทีดทท่ดีที่สุดสาหรับเราเลยทาในสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเราไม่มีดีเท่ากับการปฏิบัติตนเองด้วยการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ปฏิบัติทางาร่างกายนะทำทางด้านจิตใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองฝึกจิตใจด้วยการมีสติเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันก่อนตอนนั้นอายุยีบสองคนนี่เยอะมีเพื่อนมากมายแต่พอเราป่วยแล้วเนี่ยเพื่อนที่แท้จริงเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่พ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้อง จะไปแสวงหาเพื่อนข้างนอกนี่ยากเหลือเกินไม่มีใครมาหาเรามาถึงความพีการก็อยู่แต่ที่บ้านไปไหนไม่ได้แม้แต่ญาติบางทีก็ไม่ได้มาเยี่ยมมาเยือนนะเนี่ยไอ้เราก็รอไอ้การรอเนี่ยทำให้จิตใจมันบีบถูกบีบคั้นมากใจมันถูกบีบคั้นไยการรอคอยโหยหาจะมีใครมาหาเราบ้างจะมีใครให้กำลังใจเราบ้าง ให้การรอคอยเนี่ยมป็นสิ่งที่เวลาที่เลวร้ายมากเลยตัดปัญหาเราไม่รอญาติไม่รอใครตัดออกไปเลยเรามาหายาติอยู่ข้างในก็คือพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ตัวเราโ้ยคนใกล้ตัวเนี่ยญาติแท้จริงเนี่ยถูกหมเจอกันทุกวันนั่นล่ละคือญาติแท้จริงคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา แล้วที่ตางเลคือสติฝึกสติอยู่กับปัจจุบั น, นด้วยความเต็มใจที่อยู่ตรงนั้ น, น ย, ยินดีที่อยู่ความพิการยินดีกับมันเลยนะแล้วก็ด้วยการฝึกสติร่างกายไม่สนใจสนใจจิตใจอย่างเดียวเอาการฝึกสติเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตของจิตของใจใจที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวาย มันก็สยบสงบลงได้โอ้เรามีเครื่องอยู่มีอะไรทํำฝึกสติแล้วมันมีอะไรทํานะเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเนอนไม่ไปไหนไม่แล้วก็นอนกระดับมือเล่นพลิกมือเล่นขยับมือเล่นรู้สึกตัวมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเกับกายนี่แหละปัสสาวะอุจราระบนเตียงนะ่ะแล้วก็รู้สึกตัวทานข้าบนเตียงขับถ่ายบนเตียงแต่งเนื้อแต่งตัวก็บนเตียง เอาเตียงเป็นที่พึ่งตีอาศัยนะ <c oughs> ก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านใช่มเรามีการฝึกจิตใจกับปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่อยู่กับปัจจุบันยังมีความสุขใจมีความสุขเพราะไม่ถูกความคิดรบกวนนะในสภาพพิการมันก็เลยมีความสุขได้เนี่เป็นการตลาดชีวิตยิ่งอยู่กับตัวเองนานๆอยู่กับปัจจุบันนานๆเนี่ย ดูตัวเองเรื่อยๆเนี่ยมันได้ความรู้ได้ความเข้าใจมันเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นโอ้ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากใจเราทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาทำเราเราทำตัวเราเองทำใจเราเองสภาพร่างกายพิการเพราะใจมันประมาท ถ, ถ้าใจไม่ประมาทเราคงจะไม่ประสบบัตถเหตุใจอ๋อใจเราเป็นต้นเหตุ พอรู้ทันจับจนจับได้แล้วทันแล้วก็มันเกิดการยอมรับโอ้ยอมรับแต่สภาพพิการโดยที่ไม่ต่อต้านยอมรับแบบหน้าชื่นตาบานไม่ต่อต้านกับสภาพร่างกายที่มันถูกจองจำด้วยความพิการไม่ได้จำใจ ย, ยอมรับนะยอมด้วยความยินดีไม่ต่อต้านโอ้พอเรายอมรับมันได้แล้วก็ยินดีที่อยู่กับมันได้เนี่ยโอ้ใจอิสระเลย มันลาออกจากความพิการทางทางจิตใจเลยเมื่อก่อนกายพิการใจก็พิการพอยอมรับได้แล้วมันลาออกเลยมันจะด้วหอีกสักกี่ข้างเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์กับมันแล้วเนี่ยให้การยอมรับได้เนี่ยมันทำให้ใจเรานี่ผ่อนคลายมันสบายขึ้นเยอะพอรู้ความจริงนรู้ความจริงของมันน และทีนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความพิการเนี่ยบันบั่นทอนเฉพาะร่างกายพิการเฉพาะร่างกายถ้าใจไม่ยึดมั่นถึงมั่นเราก็ใจมันไม่ทุกข์ใจอิสระเห็นไหมเนี่ยมันมันอิสระเลยอิสระทันทีเลยแล้วแถมได้ประโยชน์จากความพิการของร่างกายด้วยเห็นประโยชน์โอ้เราได้ปฏิบัติธรรมได้มารู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราไมา่พิการเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสที่จะมารู้จักตัวเองได้เลยนะคงจะมองแต่ข้างนอกวุ่นวายแต่ข้างนอกแล้วฟุ้งซ่านอยู่ข้างในนี่เรา จัดการข้างในใจไม่ฟุง้งซ่านมันเข้าใจเรื่องข้างนอกเออมันแปลกไหมไม่ได้หนีไม่หนาอยู่ตรงนั้นความพิการไม่หนีจากเราแต่เราก็ไม่หนีจากความพิการอยู่ด้วยกันโดยที่มันเป็นคนละส่วนกัน เ, ออเรื่องของใจก็ส่วนใจร่างกายก็ส่วนร่างกายได้ประโยชน์จากสภาพร่างกายที่พิการได้ศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองได้ปฏิบัติธรรม เห็นไ่อย่างเนี้ยแล้วก็อยู่ด้วยการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นการฝึกจิตฝึกใจคือตาประโยชน์ตนเองนะรบรูมันก็มีคุณค่าพอสมควรแล้วแต่ถ้าเราสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วยเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเอาความพิการที่มาไล่สาระเนี่ยเอามาทำประโยชน์อย่างมาที่เนี่ยถ้าผมไม่พิการเนี่ยผมคงไม่มีโอกาสได้มานะ เ, นเขาไม่เชิญผมหรอก ผมไม่พิการจะมาทำไมไม่มีประโยชน์อะไรนี่เพราะผมมีสราพจุด น, นี้จึงมีโอกาสได้มาพบกับพวกท่านไงเห็น ไ, ไหมโอ้บางทีต้องขอบคุณมันนะมีอีกห ล, หลายล้านคนอยจะเข้ามาไม่มีโอกาสได้เข้ามาแต่ผมมีโอกาสมันน่าแปลกใจไหมมีคนพิการสักกี่คนที่มีโอกาสได้เข้ามาในเรือนจำเนี่ยนะวิกิไทยผมมีโอกาสเข้ามาหลายเรือนจํำนะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเข้าแล้วถูกปล่อยเข้าแล้วถูกจับเข้าแล้วถูกปล่อยมาไม่ใช่เข้าไปทําประโยชน์ทําหน้าที่ทําส่วนนี่ได้เนี่ยทาให้เรามีคุณค่ามีความภูมิใจนะว่าคุ้มค่าแล้วที่เราได้เกิดมาที่พุทธพ่อคุณแม่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์คุ้มค่าแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อยู่กับตายมีค่าต่อกันเพราะเราได้ทําหน้าที่กับตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องแล้ว เ, เพราะนั้นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมชะตาเดียวกันชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่มืดมนอนตการอย่างเดียวล้อชีวิตเนี่ยมันมีด้านที่มันสดใสเหมือนกันนความมืดกับความสว่างเป็นของคู่กันความเศร้ามหมองกับความสดใสเป็นสิ่งที่คู่กัน มีทุกก็ย่อมมีสุขไปก่องคู่กันนะมีมืดก็มีสว่างมีวิกฤตก็ต้องมีโอกาสผม่วยโอกาสไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอโอกาสท่านอย่ามัวรอโอกาสนี่เราเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองการได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะผมว่าถ้าเราพลิกวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสซะเราจะขอบคุณวิกฤตนะ น่าจะมีบ่อยๆแต่คงไม่มีใครอยากได้ก็สายนะวิกฤตเนี่ยทำให้เราเปิดโอกาสให้เราได้ฝึกฝนตัวเองให้กลับมาดูตัวเองนะเนี่ยเรียกว่าคือมหาวิลลยชีวิตบางขวาง u n ู v e นเวอร์ิเราคือนักศึกษาเราไม่ใช่ผู้ต้องขังนะเราคือนักศึกษาชีวิตต้องอาศัยโรงเรียนที่กว้างใหญ่น้อย ต้องมีคนมาคอยดูแลคอยเช็คเวลาเนี่ยโอ้นี่แหละคือคนช่วยเราได้ศึกษาชีวิตขอบคุณเขาเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการลองอยู่กับปัจจุบันอย่างที่มัมบอกอยู่กับปัจจุบันกับสติให้ได้อยู่กับปัจจุบั น, บ น, บจจบนลืมเรื่องราใน่ดีซะปล่อยมันผ่านไป สิ่งที่เราทํทำไว้ในอดีต ท, ที่เป็นความผิดต่างๆก็อย่าไปนึกถึงแล้วก็อย่าไปดีกับมันอย่าไปสะใจกับมันแล้วก็อย่ากลับไปทำอีกแล้วก็มุ่งทำความดีทำประโยชน์ประโยชน์ตนเองสูงสุดคือการปฏิบัติตนเองคือฝึกให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไปการปฏิบัติธรรมนี่คือประโยชน์ตนเอง ทำใจเป็นอิสระจากการมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทาประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยการมีน้ำใจให้อภัยมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่รอบข้างช่วยเหลือสิ่งเราพอจะช่วยได้เรามีความสามารถอะไรต้นทุนเรามีอะไรแล้ว เ, เอามาใช้ตัวเนี้ การช่วยเหลือกนอื่นได้เนี่ยถ้าให้เราเห็นคุณค่าตัวเองเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือการช่วยคนอื่นอย่าไปรอว่าจะมีใครมาหาเราอย่าไปนับบัตรรอข้างหน้ายิ่งนับบัตรลอมันยิ่งยาวนานอยู่กับปัจจุบันทีละวันทีละวันนี่แหละมันจะเป็นของที่ใหม่สาหรับเราอยู่เสมอเลยนะ ใหม่เสมอส้หรับเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันให้ได้เนี่ยคุณค่าชีวิตเราคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นจิตอาสาแล้วอย่าลืมวิธีคิดอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยให้เรามีวิธีคิดที่แยบคลายต้นหน่อ ย, ยอย่าคิดว่าเราอยู่ในเรือนจาเปลี่ยนวิธีคิดจากเรือนจาเป็นบ้านของเราซะ ถ้าเราคิดว่าเป็นเรือนจำแล้วก็ถูกกักขังไปเรื่อยๆถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยมันอิสระเปลี่ยนจากเรือนจำนี่คือบ้านของเราแล้วก็ยินดีที่อยู่กับบ้านของเราเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น